สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบคอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าเพราะเจ้านายพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงสิบสามให้เราท่องคำอธิษฐานของพระเยซูพร้อมกันครับถ้าแต่พระบิดาแห่งข้าปงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปนตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพง์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทาผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านาข้าพระองค์เข้าบริการทดลอง แต่ขอให้ค้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชจำนาจทธิเดชและพระศิลปเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนทีน้นะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูในประโยคแรกหรือคําทูลขอแรกที่พระเยซูได้ทรงสอนเราให้อธิษฐานแท้จริงแล้วมีคําทูลขอหรือคําวิงวอนอยู่เจ็ดนะครับเจ็ดประโยคด้วยกันหรือเจ็ดเรื่องราวด้วยกันในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับ ในประการแรกและในประการแรกนี้ก็ได้แบ่งเป็นหลายตอนครับพี่น้องครับในพระเจ้าพระเจ้าและในคําอธิษฐานของเปียเสวุทาให้เราเห็นนะครับสิ่งสําคัญสี่ประการเกี่ยวกับพระเจ้าจากคําอธิษฐานของเปียเสวุในประโยคแรกนี้สิ่งสําคัญประการแรกก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์เป็นพระบิดาของพวกเรา ประการที่สองก็คือเรารู้ว่าพระบิดาของพวกเรานั้นทรงอนุ ญ, ญาตให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้อย่างใกล้ชิดประการที่สามก็คือว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดติดสนิทกับพระบิดาได้ประการที่สี่เรารู้ว่าคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือพิเศษสุดของพระเจ้าที่จะนําเราเข้าเฝ้าพระเจ้า ในฐานะของพระบิดาบนสวรรค์ผมอยากให้พี่น้องได้เปรียบเทียบนะครับถ้ า, าว่าเราอธิษฐานเราใช้คำเรียกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าประโยคนี้บ่งบอกว่าไครับบ่งบอกว่าผมกับพระเจ้าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมากนักลึกซึ้งนัก ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากนักก็เป็นได้แต่ถ้าหากว่ามีบางคนได้อธิษฐานบอกว่าถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ประโยคที่สองนี้นะครับเหมือนกับว่าเรียนกราประยนองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาอังกฤษใช้ว่า dear lord นะครับ dear lord แสดงว่าคนคนนั้นได้ยอมรับว่าพระเจ้านั้นเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าเหนือหัว ยอมรับฤทธิเดชของพระเจ้าแต่ก็ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ในลักษณะ ส, ส่วนตัวจนกว่าเราจะใช้คำที่สามใช่ไหมครับว่าเรียนคุณพ่อข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์พี่น้องครับอันนี้ก็คือ爹 father หรือป้าป้าครับคุณพ่อครับนี่คือความแตกต่างของการเริ่มต้นคำวิษฐา พระเยซูสอนเรานะครับบอกว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์แสดงว่าพระเยซูให้เราสามารถที่จะเรียกพระบิดาหรือพระเจ้าวิ่งใหญ่ให้เป็นคุณพ่อบนสวรรค์ได้นะครับชาวยิวในพันธสัญญาเดิมนั้นไม่เคยคิดว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาศาสนาศาสตร์เรื่องพระเจ้าในพระกัมภีรเดิมนั้น เราเขียนว่าคนยิวรู้จักพระเจ้าในฐานะที่ทรองทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ทรงประทับอยู่เหนือเครูปพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาหาประชากรของโปรงในเมฆในเสาเพลิงเสาเมฆและหน้ากลัวพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่น่าเกรงขามเกรงกลัวตรงทรงลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิดทำบาป แล้วเขียนนะครับอพยบที่สิบเก้าข้อเก้านั้นเราเขีนลักษณะของการเสด็จมาของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์นั้นพระเจ้าเตือนประชากรขอ ง, รงพระองค์ว่าเจ้าทั้งหลายจงระวังให้ดีอย่าล่วงล้ำเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้นผู้ใดบุกรุกหรือถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายพระเจ้าของพระคัมภี์เดิมเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวใช่ไหมครับน่าเกรงขามน่าเกรงกลัว พระเจ้าทรงประหารคนที่ชื่อว่าอุตซานะครับตอนที่เขายื่นมือไปแตะหีบพันธสัญญาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นน่าเกรงขามน่าเกรงกลัวโปรงทรงลงโทษโมเสสเพราะโมเสสนั้นเอาไม้เท้าไปไตีที่ศิลาไปตีที่ก้อนหินโมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้าโมเสสทำเกินพระเจ้าโมเสจึงไม่สามารถเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ พี่น้องดูในกันดานวิถีบทที่ยี่สิบข้อเจ็ดนะครับพระเจ้าในพนันธสัญญาก็น่ากลัวอีกอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในสองปงสวัารบทที่สามิหกพระเจ้าอนุญาตให้กษัตริย์ต่างชาติที่ชื่อว่าเนบูคัดเดสานะมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มจนราบเรียกเขาพระวิหารกว่าต้อนเอาชาวยิวไปเป็นเชลยเพราะคนยิวนั้นกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าเรียกว่าเป็นชู ล่วงประเวณีกราบไหว้ลูกข่ารบนะครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับภาพในพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่น่าเกรงขามในพันธสัญญาใหม่นะครับก็มีความน่าเกรงกลัวน่าเกรงขามของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเก้านะครับเราเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ภากษาอันยุติธรรมในฮีบรูนั้นเขียนว่าอย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิง ทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญเห็นไหมครับพี่น้องครับภาพของพระเจ้าด้านหนึ่งนะครับเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงครัวแต่พระเยซูเสด็จมาสอนเราให้เรียกพระเจ้าใหม่ครับโดยพระนามใหม่ก็คือว่าพระบิดาแห่งข้าพองทั้งหลายพระเยซูทรงให้การสำแดงใหม่หรือเลเวเลชั่นใหม่ให้กับเราเกี่ยวกับพระเจ้าของอิสุเอลว่าพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากประชากรของพระองค์เลยพระองค์ทรงเป็นพระบิดา เป็นคุณพ่อบนสวรรค์ผู้ใกล้ชิดที่เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้พระเยซูเองทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาครับทรงทสงสัรว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเห็นไหมครับพระเยซูได้ทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสี่ครับพี่น้องครับพระเยซูสัญญาว่าเราสามารถเข้าใกล้พระบิดาเข้าใกล้พระเจ้าได้เหมือนกับเด็กที่ปีนขึ้นไปบนตักของคุณพ่อได้ เขาอยู่ใ น, พ, นพันธสัญญาเดิมนั้นจะนำเลือดซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นมาถวายที่ตรงแท่นบูชาเขาจะต้องฆ่าแกะตัวที่ไม่มีมนทินตัวที่ดีที่สุดของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพราะว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยโทษบาปเลยไม่มีชีวิตหนึ่งที่ตายไปเพื่อที่จะทดแทนชีวิตก็จะไม่มีการให้อภัยยกโทษบาป เขาอยู่ในพันธสัญญาเดิมนั้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวนะครับเพราะเขารู้ว่า <c oughs> ความบาปนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายร้ายแรงถ้าเขานํามาพบกับพระเจ้าเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับการที่เรามาเข้าเ้าพระเจ้านั้นในแต่ละวันแต่ละวันเราจะต้องกําจัดความบาปออกไปโดยการสารภาพบาปในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซู เปลี่ยนวิธีที่คนจะเข้ามาหาพระเจ้าเพราะว่าพ ร, า ะ, พราะองค์เองเป็นพระไม่สรดกทรงเป็นลูกแก่นั้นเราจึงเข้ามาหาพระเยซูเพื่อการยกโทษบาปเราจึงเป็นที่ยอมรับพระเยซูบอกว่าผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเขาเลยพี่น้องครับใครครับที่มาหาพระเยซูก็คือพวกเราที่กลับใจใหม่ ผู้ที่ต้อนรับพระเยซูผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสองเป็นสิ่งที่ซาบซึ่งใจผมมากและผมท่องได้ตั้งแต่เด็กครับแต่ส่วนบรรดาผู้ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเราทั้งหลายกลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเข้ามาอยู่ในครอบครัวอยู่ในร่มไม้ชายคาเดียวกันในครอบครัวของพระองค์เมื่อเราเชื่อพระเยซู เมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็สามารถเรียกพระเจ้าของเราว่าเป็นพ่อบิดาและพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพ่อบิดานั้นสถิตยอยู่ในสวรรค์ครับโปร่งทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโรงทรงฟังทุกๆกับอธิษฐานฟังทุกๆคำวิงวอนของเราที่น้องครับเมื่อเราขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตนั่นหมายความว่าเรากําลังขอให้พระเจ้าชําระเราให้พ้นจากความผิดความบาปเพราะว่าพระเยซู น, น, นั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราทั้งหลาย ประการที่สองเมื่อเราขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้สันติสุขเรากำลังขอให้พระเยซูประทานสันติสุขให้กับเรานะครับและสิ่งที่สามที่เราจะได้เมื่อเราขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตก็คือเรากำลังมอบชีวิตของเราให้อยู่ภายใต้การดูแลการควบคุมของพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์พี่น้องครับถ้าเรา ทูนขอและเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าเรียกพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยรอดเรียกพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตอธิษฐานสารภาพบาปกับใจเสียใหม่ทูนขอการอพัยโทษเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับเราก็จะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้คุณพ่อบนสวรรค์มาเป็นพระบิดามาเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่สาคัญมากเมื่อเราอธิษฐานประโยคแรกซึ่งเป็นคำวิงวอนครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ามีหลายพระนามผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับประมาณสามสี่ตัวอย่างก่อนที่จะไปถึงพระนามของพระเจ้าที่เรียกว่าพระบิดาของเราผู้สถิตในส่วนชาวยิวนั้นรู้จักพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าซึ่งเป็นพระศิลา พระเจ้าจอมโยธานะครับนี่คือพระนามของพระเจ้านะครับในภาษาฮีบรูก็เขียนว่าเยโฮวาราฟาพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับเยโฮวาราฟวานะครับพระเจ้าจอมโยธาเมื่อเราเรียกพระเจ้าพระเจ้าจอมโยธานั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของทูตสวรรค์เป็นพระเจ้านักพรตนะครับ พระเจ้าผู้เป็นแม่ทัพเป็นจอมทัพช้าวเรียกว่าพระเยาว์วะโรหีนะครับโรหีโรเฮพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าถ้าเราเรียกว่าพระเจ้าทรงเป็นเอลชัดไดแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ที่จะตอบสนองความต้องการความจำเป็นของเรานี่ครับคือพระนามของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่งั้น พระเยซูทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาพ่อบิดาครับและเปาโลท่านอัครุปเปาโลก็เช่นเดียวกันครับก็เรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาพี่น้องครับเราสามารถใช้คําที่สนิทสนมเกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อพระบิดาได้และพระเจ้าทรงเป็นพ่อบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้เราและเป็นที่รักของเราคำว่าอับบานนั้นเป็นคำศัพท์ทั่วไปที่แสดงถึงความรักเหมือนกับเราเรียกคุณพ่อในโลกนี้ว่็ปป้า หรือเรียกว่าพ่อนะครับนี่คือความหมายของคำว่าอับบาคือป่าป้าหรือพ่อเมื่อเราอธิษฐานเรากําลังทูลขอป่าป้าของเราเรากําลังบอกกับคุณพ่อของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้และเป็นที่รักของเราและทรงชงรักเราน่าสังเกตนะครับว่าคนในโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเขายกตัวอย่างเช่นไีสีครับ ปริสีนั้นพระเยซูพูดกับพวกเขาตรัสกับพวกเขาในยอห์นบทที่แปดข้อสี่สิบสองบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราพี่น้องครับแน่นอนครับพวกปริศี์เกียดพระเยซูเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามฆ่าพระเยซูพระเยซูทรงชาติหัวใจของพวกปริสีพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าท่านั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารครับแสดงว่าปริสีนั้นกับชาวกของพระเยซูหรือพวกเรานั้น มีพ่อคนละคนกันนะครับกวามในสีนั้นมาจากพ่อของเขาคือมารในยอห์นบทที่8ข้อ44แต่พระเยซูกําลังบอกครับให้กลับใจครับบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นข้าบีดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราหมายความว่างครับหมายความว่าเขาจะต้องรักพระเยซูต้องยอมรับพระเยซูเขาถึงจะได้พระเจ้าองค์นี้แหละครับซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับเราก็คือเป็นป้ป้าเป็นคุณพ่อบนสวรรค์ เนี่ย้ครับก่อนที่ผมจะจบในวันนี้ให้เราคิดถึงพี่น้องหลายหลคนนะครับที่มียากมีคนในครอบครัวที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนเหล่านี้นะครับไม่สามารถอธิษฐานและเรียกพระเจ้าบนสวรรค์ได้ว่าเป็นคุณพ่อหรือเป็นปัป้าหรือเป็นข้าบิดาแต่อีกแง่หนึ่งครับจริงๆแล้วเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าสร้างเขานะครับ เหมือนกับพี่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนนั้นสุกถูกสร้างจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนในแง่นี้เป็นลูกของพระเจ้าโดยการทรงสร้างนะครับดังนั้นเองเปาโลจึงอธิบายนะครับว่าเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะคลําหาพระองค์ให้พบพี่น้องครับเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังที่จะคลําหาพระองค์ได้พบอันที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทั้งหลายเลย ด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์อันนี้พบในพระธรรมกิจการบทที่สิบเจ็ดนะครับข้อยี่สิบเจ็ดี่สิบแปดพี่น้องครับในแง่นี้นะครับเรารู้ว่าทุกคนที่เป็นเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นลูกของพระเจ้าโดยการที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราครับและพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราใกล้พอที่เขาเพียงแต่แค่เปิดใจต้อนรับพระเยซูยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปเขาช่วยตัวเองไม่ได้ เขาสารภาพบาปกลับใจใหม่ทูลขอการให้อภัยและเปิดใจออกเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปเนี่ยครับทําอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกของพระเจ้าทั้งในฐานะที่เป็นคนในฐานะที่ที่เป็นมนุษย์และในฐานะที่เป็นคนที่เกิดฝ่ายวิญ ญ, ญาณเป็นการบังเกิดใหม่ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและเมื่อเราอาธิษฐานเราจะเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาได้อย่างเต็มปากเต็มใจและเต็มชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนอาเมน